วันนี้ผมก็อยากจะพูดย้ำเ ม, มื่อเช้านี้อีกพระมือเช้าพูดเกี่ยวกับเรื่องงูอัศรพิษที่งูเขียวหางไหมฉกหลวงตาดร็อเตอร์ที่วัดป่าพี่ายเมื่อวันพระวันเดือนดับเดือนก้าดับตรงกับวันข้าวประดับดินปี2552 ประมาณสีทุ่มพอกัดเสร็จแล้วก็มันได้ติดต่ออะไรกับใครติดต่อว่ามันดึกแล้วทำอะไรไม่ได้แต่ตามไม่จริงผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ที่คิดเป็นหัวหน้าของวัดหรือพวกท่านทั้งหลายที่อยู่กับผมที่จะคิดเป็นหัวหน้ามีหมูมีเพื่อนแล้วไปอยู่ตามลำพังสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนจะทำยังไงเวลาป่วยกระทันหันจะทำยังไงจะติดต่อกับใครเวลางูฉกงู ก, กัดกลางคืนเราจะทำยังไงไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ตนเช้าจะก่อนจะค่อยมาว่ากันบางทีมันสายเกินไปเสียแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดผู้ติดจะเป็นหัวหน้า ว่านการแนะนําสั่งสอนของผมเนี่ยผมไม่ได้แค่แนะนําสั่งสอนพวกเบบี้ทั้งหมดผมแนะนาําผู้ที่จะเป็นหัวหน้าควรวางตัวยังไงเมื่อได้ยินอะไรเข้ามาแล้วต้องคิดไม่ใช่ว่าจะป ล, อปล่อยปะละเลยบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกระทันหันก็ะป๋อให้กันตายทิ้งเปล่าๆไม่พอที่จะตายมันจะต้องตายได้เพราะใดเพราะสิ่งที่ควรเร็วกับทําช้า สิ่งที่ควรช้ากลับให้ความส้ำกันทำเร็วสิ่งไหนที่จะอยู่จะกินลุกเรี่ลุกร่นเร็วแต่สิ่งไหนที่จะเป็นอันต ร, รายกับหมู่กับเพื่อนที่จะล้มหายตายจากกันกับเฉยเฉยช่า ช, อ, ช, อ, ชอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายผู้ที่จะเป็นหัวหน้าต้องคิดนะอันนี้ฝากไว้กับพวกท่านทั้งหลายยกตัวอย่างอย่างสมัยผมอยู่บ้านตาด วันนั้นท่านอาจารย์เชิงทองท่านก็ยังมีชีวิตยอยู่ท่านอยู่ที่วัดป่าแก้วชุมพลาบางทีท่านก็เข้าไปฉันจังหันกับปวงค์หลวงตาเป็นบางครั้งนานๆท่านจะเข้ามาครั้งหนึ่งตอนเช้ามาท่านก็ไปบินธบาติกับองค์หลวงตาวันนั้นก็คือวัดป่าบ้านตาดมีบินธบาติสองสายสายตะวันตกสายตะวันออกและก็พวกสายตะวันตกก็ไปแล้วพอสายตะวันออก ท่านก็ไปอีกแล้วก็พระฝรัง่งท่านเชอร์รีนะ่ท่านก็เป็นคนสะอาดประการต่อเป็นคนเห็นกระดงกระดาษตามไหลทางตามที่ไหนไหเนี่ยท่านจะเก็บไปเรื่อยเก็บเก็บเกี่ยวไประใสถุงแล้วก็ทิ้งใส่ถางขยะอันนี้คือท่านทําเป็นจิจวัตรประจําของท่าน ท่านเป็นคนชอบสะอาดมากเรียบร้อยอาจารย์เชอรี่เนะี่ยที่นี่ท่านก็เดินไปเก็บกระดาษตามไหลถนนข้างถนนจะนี้ก็มีงูเอ่อมีงูเผาทางภาษาไทยนิสานงูบักพิกงูเผาชนิดหนึ่งแต่ว่าบางคนกัดถ้ามันฉกแล้วก็มีพิษแพ้แต่บางคนก็เก็บนิดหน่อยไม่แพ้ สุดแทะแต่ใครจะแพ้หรือไม่แพ้มันก็บต่อแตนแมลงป่องเนี่ยแหละบางคนก็เฉยมแมลงป่องต่อยแล้วก็เฉยไม่เจ็บอแต่บางคนโอ้โหชักดินชักงองอันนี้เแปลว่ามันแพ้แต่บางคนก็ต่อยแล้วก็เฉยเอก็มีฮงูก็เหมือนกันแต่บางคนนี่บางคนไม่แพ้แต่บางคนแพ้ปวด แต่วันนั้นท่านอาจารย์ชลี่ถึงก็เดินไปเดินไปก็ไปเจียบงูเข้าตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยท่านมานะหางมันแดงๆเหมือนแบบกันนะตัวยาวประมาณจะคืบประมาณฟุตหนึ่งเหมือแนบบกันมันก็กัดตีนของท่านพอ ต, ตัดกัดตีนของท่านท่าก็ไปบินทบาทแต่ลงตากับลุงูสิงทองเนี่ยกำลังคลองผ้าจะลงศ า, าลาแต่อาจารย์ชลีเนี่ยเดินก่อนนําหน้าไปประมาณชั้ อ20 30เมตรเนี่ยนะไปก็ไปเหยียบงูเข้าท่านก็หันหลังกลับพราเห็นงูกัดละ่ะท่านก็กลับมาว่างูกัดผมงูกัดผมเท่านั้นะเออลวงตากับลุงปูสิงทองเฮสกัดที่ไหนต่ากัดที่เท้าครับพรงนั้นเอาขึ้นไปงั้นรึเล่าท่านก็จับขึ้นท่านท่านให้ท่านจลไขึ้นมาบนสล า, าดลวงตามหาบัวกับลุงปู่สิงทอง ไปคนละทิศทางกันว่างั้นเถอะให้เจ้าหนีทองเข้าไปในครัวไปเอามะนาวน้ํามะนาวามะนาวลวงตาเนี่ยไปว่าปลดผ้าจีวรปลดวางบาทเสร็จแล้วขึ้นไปกุฏิแลว้วงั้นเถอะไปเก็บไปเอาลากไม้ที่ท่านเคยใช้มาตะกอ น, เ, นเก็บไปเอครูบาอาจารย์รุ่นเก่าไปอย่างงั้นน่ะท่านเตรียมพร้อมไว้นะเพราะท่านเป็นหัวหน้าวัดเนี่ยเวลางูกัดจะใช้ยาลากไม้อันไหนท่านจะเตรียมเอาไว้สมัยก่อน เพราะการแพทย์ไม่มันไม่เจริญกว่าที่จะไปหาแพทย์หาหมอเนี่ยก็ไม่รู้จะหาหม อ, อยังไงมันไม่เหมือนทุกวันนี้ว่างั้นแหะเออขนาดนั้นแ่ะท่านวางบาด ว, วางจีวรอปวดบาดออกเลยเหมือนันไม่บินทบาทเลยวะนะันนั้นต้องดูพยาบาลคนไข้ซะกอ่อนให้ความสําคัญกับคนงูกัดซะกอ่อนพรางูกัดเนี่ยเราจะไปช้าไม่ได้คือบางคนมันอาจจะถึงตายได้ มันแพ้ขึ้นมาเพราะนั้นต้องหายหยุกยาใสซะก่อนเอแล้วก็ดูอาการมาเป็นยังไงแต่เนี่พอท่านกับหลวงตาหลวงปู่จิงทองเป็นคนฝนลากยาหลวงตาเนี่ยดูดูท่านให้ทาทายัางไงกว่าที่หมูจะบินถวัดกลับมาได้ก็เป็นชั่วโมงว่างั้นจะ้ะหลวงปู่จิงทองก็ท่านหลงตานี่ก็ท่านก็ทายาให้ท่านเฉลี่ ว่ท่านเชอรี่เร็จแล้วท่านก็ไม่ฉันอาหารเลยวันนี้ท่านก็จะงดอาหารเลยเพราะท่านเชอรี่ชอบงดอาหารวันนี้ไม่ฉันแล้วไม่ปินทบาทเนี่ยแต่องลุงตากระลุงท่านปู่สิงทองเวลาหมู่มาแล้วท่านก็ฉันอาหารแต่ท่านเชอรี่ไม่ฉันอาหารพอทายาเสร็จแล้วท่านก็ไม่ปวดท่านก็มาหาผมเลยผมวันนี้ผมก็ไม่ฉันอาหารเนีท่านก็ตอบทไมท่านเชอรี่ทําไมมาหาผมเช้านักว่า งูกัดผมเหมือนกันกัดที่ไหนลราอ่ะนี่หละดูเป็นแผลเล็กๆที่ขาที่เท้าเอา้าปวดไหมวะปวดนิดหน่อยเหมือนกันผมขอแสดงอาบัตด้วยอ่อาทําไมวะถ้าเผื่องูมันเป็นพิษผมตายผมจะได้บริสุทธิ์ไม่ตายในระหว่างอาบาัตยังมีอาบัตอยู่มผมผมขอแสดงอาบัตก่อนเออปุณหนะ ท่านรอบขอบถึงขนาดนานวางนันนเอาแสดงก็แสดงเลยจากนั้นก็แสดงอาบัตถุนละใจปาจิตตีทุกกฎทุกพันสิทธ์เรียบร้อยจากนั้นข้าข่านก็กลับไปกุติดวงตาท่านก็ยังให้ถามว่าเป็นยังไงอาการติดตามผลก็ไม่มีอะไรก็เป็นอันว่าเรื่องนั้นจบไปไนีอันนี้คือยกตัวอย่างให้หมูได้ยินว่าท่านให้ความสําคัญขนาดไหนเวลาหมูหมูถูกกัดนะ ตัวของท่านให้ความสําคัญขนาดไหนที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเฉยๆเมยๆพอมันงูพิษขึ้นมาอย่างรุนแรงนะโคตรประเตอร์ปรลาเรือปะเตอรนะ์อย่างนั้นมันไม่ถูกที่ผมพูดเมื่อเช้าเนี่ยอย่างทุกวันนี้มันเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยชั่วโมงเป็นงูเห่ากัดอย่างนี้เราก็ต้องโทรถามว่าน้ําโสมีเสรุ่ ง, งูเห่าไหม นายุงมีไหมน้ําโสมมีไหมบ้านพื้นไม่สวรรค์คูหามีไหมเออสีเชียงใหม่มีไหมเออลองถามบางทีมันเขาไม่ได้เก็บเอาไว้เพราะมันไม่ค่อยมีความจําเป็นเออถ้าว่าถามมีโยเนี่ยเอเราก็ตั้งดิ่งไปหาที่มันมีเออไม่ใช่ว่าพอคนป่วยขึ้นมาแหละคิดว่ามันจะมีนายุงไม่มีนายูงวิ่งไปน้ําโสมออกน้ำโสมเออ วิ่งเข้าบ้านผืออกบ้านผือไม่มีวิ่งเข้าอุดร อ, อุดรไม่มีวิ่งน้องคายเพราะในสุดคนก็เลยตายก่อนเพราะเหตุอะไรเพราะมันเซ่อสรุปได้ตายเพราะความเซ่อของหมู่ของเพื่อ น, นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายคิดไว้ล่วงหน้านะคิดวางแผนเอาไว้น่ ะ, นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงอย่างโยมญาติของท่านตั้มเลยบัญฑารถามท่านตั้มดูก็ได้ งูกัดไปหาจกลูเข้าไปงูเห่ากัดกัดเสร็จเสร็จแล้วก็ไปหาหมอที่อุดรโรงพยาบาลอุดรก็ไม่มีเซรุ่มสมัยนั้นขนาดจังหวัดนะมันมันไม่มีเอาไม่ได้เก็บเอาไว้เขาวิ่งไปน้องคายพอไปน้องคายก็ไม่มีอีกมีแต่ฉีดยาแก้ปวดธรรมดาให้ผลที่สุดมันวิ่งไปหลายอำเภอ อข้ามจังหวัดพิษมันก็เลยขึ้นสมองเลยท่านมาขึ้นสมองกลับมาถึงบ้านเน่ยประสาทเลยวนะเนี่ะเป็นบ้าเลยเพราะงั้นแต่เป็นบ้าผลในสุดหลุ่ไม่กี่วันนะก็มรณภาพตายพิษงูเหา่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พูดให้ฟังนี้เป็นบทเรียนสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ระมัดระวัง นาำว่ามันเป็นกลมจริงๆมกสุดวิสัยแต่กลมในปัจจุบันขาดความรอบครอบอขาดความรอบคอบก็คือไม่ได้ใส่ใจไมด่ดูแลตัวเองเดินไปโดยที่ไม่มีฟืนไฟโดยที่ไม่มีไฟชงไฟฉายสองทางเดินไปด้วยความประมาทอย่างนี้อันนี้แปลว่าเราอยู่ด้วยความประมาทกลมในปัจจุบันของเราขาดความรอบคอบงูจึงกัดขาเรา การกระทําในปัจจุบันของเราขาดความรอบครอบพอเราเดินไปโดยที่มีมีไฟอันนี้แปลว่ากลัมในปัจจุบันถ้ากลมในอดีตก็อย่างผมเคยพูดเป็นในมาในพระไตรปิฎกในครั้งพุทธเจ้าครั้งพุทธการวัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นงูเหา่าอยู่ในโรงไฟ คืสมัยนะั้นโรงไฟเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะว่าโรงไฟในสําหรับพระต้มน้าร้อนย้อมผ้าบางังหรือวันหนาวอย่างนี้มันหนาวเวลามันหนาวนั่นก็ต้องเข้าไปทาดินขี้เท่าพอกตัวแล้วเข้าไปผิงไฟอย่างนี้น่ะมันหนาวคือโรงครัวโรงไฟนี่เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญในครั้ง พุทธการตอนนี้งูเหา่ามันก็เข้าไปในอยู่ในโรงไฟมันก็คงคงต้องการความอุ่นเหมือนกันแล้วนะเอ้มันเข้าไปในโรงไฟพระเห็นอู้มันขู่ฟอ่ฟอแล้วกันแต่นี่เขาก็เลยพร้อมกันจับพระสงฆ์จอมจั บ, จ, บจับใส่ตุ่มเล็กๆอที่มันตุ่มเล็กๆเขาก็ใส่จับเข้าในตุ่มแล้ว ก, ก็เอาไม้เอาผ้าปิด และก็มัดกม็มีพระองค์หนึ่งมีพระองค์หนึ่งท่านอยากจะศึกว่างั้นถเถอะข้าเนะ น, นี่ภาวนาข้าก็ไม่อยากจะเป็นฆราวาดทำไมใจของข้านะียมันร้อนขนาดนี้อยากจะศึกอย่างมากจะฆ่าตัวเองตายก็ยังไงอยู่เดี๋ยวข้าจะให้งูตัวนี้กัดว่ะพระองค์นั้นก็เลยงูอะไร ถามอะไรนะี่ยงูนะี่ยงูอะไรงูเห่าแล้วมันพิษร้ายขนาดนะระวังนะจะจับไกลจะไปจับมามผมจะไปปล่อยไนอะ้พระองค์นั้นก็แล้วไปถือไปหมูเอ้าไปปลอนะ่อยไกลนะใหญ่มันมากอีกนะโป่งหนึ่งไปพอใจมาก็เอามือล่วงจับมันเหมือนนะั้จับงูทัวนั้นเฉยพลในจุดมันงูแต่มันงูอะไรแต่มันมันไม่ดุร้ายเลย เอามือสอดเข้าปากมันเอกให้มันกัดมันก็ไม่กัดมันก็เฉยผลในสูก็ละโยนทิ้งงูไม่มีพิษมาได้กลับมาเอาตุ่มเอาโอง่งตะกรอนทุกวันก็คงจะเป็นกระป๋องนั่นกันนะแหละกระป๋องจับงูนะ่ะปิ๊บจับงูนะ่ะแต่สมัยต้นมันไม่มีใส่ตุ่มเอาผ้ามัดพอถือตุ่มมาเก็บไว้โอ้ยงูที่ไปปล่อยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีพิษนะเอาไม่มีอย่างไงมัน คู่ฟอฟออะไรนั่นะงูพิษร้ายแรงไหมงูเห่าชัดๆเลยนะ่นะน่ะปเทศอินดีนงูงูเห่ามันเยอะใช่ไหมพระบอกนะโอ้ยจับงูเห่าเลยผมเอามือล้วงคอมันเลยจะไม่เห็นกัดเลยมันเป็นงูเลือนเฉยๆนะมันไม่ใช่งูเห่างูหิวอะไรหรอกพร ะ, ะท่านหลายก็ถามอีกนะพอถามรู้เรื่องโอ้เรื่องนี้มันไปเชื่อเรื่องธรรมดาเนี่ยขนาดเอามือแย่เข้าไปในปากมั น, นงูยังไม่กัดเนี่ยมันเพราะอะไรเนี่ยก็เลยนําทํา นำเรื่องนั้นไปนกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่างูตัวนั้นไม่มันไม่กัดพระองค์นี้นะเพราะว่ากรรมเก่านะพระพุทธเจ้าบอกกรรมเก่าในอดีตงูตัวนั้นมันเป็นลูกน้องของพระองค์นี้พระองค์นี้เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายของของงูตัวนี้และงูตัวนี้เคารพรักเจ้านายเพราะเจ้านายให้ความเป็นธรรม เพราะนั้นถึงจะมันจะเป็นงูมันก็ไม่กล้าที่จะกัดเจา้านายของมันเอามือล่วงเข้าปากมันก็ไม่กัดเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นเจาน้านายของของมันในอดีตชาติอันนี้แปลว่ากลัมในอดีตชาติของพระองค์เนี่ยนะดีให้ลายก็ไม่ได้เบียดเบียนเขาให้คุณแก่เขาถึงจะไปทำอะไรให้แก่งูงูก็ไม่กัดเพราะกลัมในอดีตของเขาดี แต่ถ้าว่ากลัมในอดีตไม่ดีเคยด่าเคยว่าเคยฆ่าเคยตีกันมาก่อนเลยเคยเป็น อ, อริศัตรูกันมาก่อนเนี่ยมันไม่ว่าแล้วมันกระงับทันทีแหละนี่แหละอดีตกลัมในอดีตที่ผมว่าเนะี่ยคือกลัมในปัจจุบันก็ ค, คือขาดความรอบครอบกลัมในอดีตก็คือพวกเราได้ทํากันกับเขาไว้ในอดีตก่อนแล้วอันนั้นมันสุดวิสัยถ้าว่าเราทํากลัมไว้ในอดีตแล้ว มันหลีเกเลี่ยงไม่ได้ด้า น, น, นกรสุดวิสัยเนี่ยบางทีมันตกมาจากต้นไม้มาเกี่ยวคอของเรามากัดเราเลยอย่างนี้อันนั้นมันสุดวิสัยเพราะกลัมเราเคยได้ทําไว้ในอดีตต้องยอมรับเนี่ยกลัมผลของกลัมที่ตนเองได้กระทาแต่ในกลัมในปัจจุบันนี่ก็ให้ดีเกลี่ยงทําให้จําเป็นก็ให้มีไฟฉงไฟฉายอย่างที่ผมว่านี่ยถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าแล้วก็เนี่ย ตัวอย่างคือองค์หลวงตาเนี่ยนะท่านให้ความสำคัญในการเจ็บไข้ได้ป่วยแลวการงูกัดไม่ใช่ว่าให้อยู่จนพุงนี่เช้าจะก่อนป่อยปละและเลยเฉยเมยเดินผ่านไปเฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้นท่านวางบาดปึ้งปังทันทีเลยวิ่งขึ้นกุฏิเลยปู่ึิงทองวิ่งไปเอามักเนาทน่้นั้นเล เออหาหินมาฝนทันทีเป็นยาทาวันน่ะนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ดีหรือจะเป็นหัวหน้าบริษัททางร้านก็ดีมีลูกน้องบริวารเราควรจะใส่ใจถึงขนาดนั้นแหละในการเป็นอยู่ถึงจะเป็นที่อุ่น อ, อกอุ่นใจผู้ที่ได้ผู้ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยเพราะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะที่ผมพูดทางนี้ทัางนั้นก็คือเป็น แนวทางรูปการเป็นอยู่ร่วมกันของพวกเราที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะนะพึ่งพาอาศัยกันไดนะ้ไม่ใช่ว่าต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างแตไม่เ อ, อือเฟื้อเอืออารีต่อกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะมันอยู่ด้วยกันมันมันไม่อบอุ่นนะนะนะอยู่กันแบบแล้งน้ําใจอนะไม่มีน้ําใจต่อกันแล้งน้ําใจขาดความอบอุ่นในการเป็นอยู่ า่างพวกเราอยู่ด้วยกันถึงจะยากจนค้นแค้นขนาดไหน อ, อ, อาหารอดอิ่มลาบากบ้างแต่ทางด้านจิตใจนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความเพิ่งพาอาศัยกันครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนอยู่ด้วยความอบอุ่นมันอบอุ่นนานนะถึงจะลาบากภายนอกสิ่งไหนขาดตกบกพ้่องไปบ้างแต่การมีน้าใจต่อกันอันนั้นเลิศประเสริฐกว่านะ อันนี้พวกเราได้บวชมาในพุทธศาสนาผมได้ยินได้ฟังพะระเถระทางฝ่ายปกครองท่านพูดท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพวกคณะสงฆ์ทาาว่าคณะสงฆ์ยังทำตนย่อหย่อนทางวิทย์ในหรือว่ามิไม่มีการเรียนธรรมะหรือฝสนใจในธรรมะ พุทธศาสนาเนี่ยคงจะหมดจากเมืองไทยได้ง่ายท่านยังทํานายไว้อีกว่ า, าไม่น่าจะเกินร้อยปีผมได้ยินนะผมก็เป็นห่วงตามไม่จริงเป็นห่วงก่อนหน้า น, นี้เหมือนกันผมว่าถ้าว่าพวกเราขาดการสนใจขาดการใส่ใจในหลักของพุทธศาสนาแล้วก็สนใจใส่ใจ เรื่องดัานวัตถุทางนอกจนเกินไปสนใจในลาบในยศจนเกินไปก็ททำให้ห่างเหินศีลธรรมจริยธรรมห่างเหินในการศึกษาเพราะว่าการศึกษาธรรมะทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ผักดันหรือว่าเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ว่ากล่าว แต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสำคัญลูกศิษย์ลูกหาอยู่เป็นวันวันไปแต่ละวันพูดแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องโลกโหโมกณะมีแต่รายได้รายเสียมีแต่เรื่องโมโมโนะ ส, สร้างก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้หาเงินอย่างนั้นหาเงินอย่างนี้เพื่อกลาาเพื่อยศแล้วผู้ที่เข้ามาศึกษาไม่ได้ศึกษาสนใจไฟธรรมะ ทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้ผมว่าหมดใจแใน่ๆเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราไม่ได้สนใจฝ่ายธรรมะศึกษาธรรมะแต่ถ้าว่าฝ่ายทั้งฝ่ายปริยัตก็ดีพอเรียนศึกษาขึ้นมาก็มีตะหวังภายนอกไม่ได้วิเคราะห์ว่าทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าท่านเน้นหนักเรื่องอะไร ท่านสอนเรื่องอะไรท่านให้ปล่อยวางเรื่องอะไรท่านให้ภาวนาอย่างไงท่านทำให้จิตใจให้เบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรยิ่งเรียนไปเท่าไรก็ยิ่งลาบยสาศสรรเสริญยิ่งปิดหูปิดตาเข้าไปเรื่อยๆหรืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมะเท่าไรอญาติโยมเคารพนับถือเริ่มใส่อะไรยิ่งหมกมุ่นกับลาบกับยศมีเท่าไรกอบโขยมีเท่าไร สะสมเอาไว้อย่างนี้จากนั้นก็ส่งจิตออกนอกของที่จะทำให้เสียหายอย่างที่องค์หลวงตาท่านพูดโท ร, รทรัศน์เทวทัศน์วิดีโออะไรลักษณะจริงเนี่ยโทรศัพท์ในการใช้ไม่รู้จักประมาณตัวอย่างนี้เป็นต้นที่หลวงตาท่านเน้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ศาสนาพุทธศาสานามัวหมองอีกเหมือนกันเศร้าหมองอได้เหมือนกันเพราะเหตุใเพราะ พระสงฆ์ในพุทธศาสนาส่งใจออกไปนอกเกินไปไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ศึกษาเฉยๆมีแต่ดูแผนที่เฉยๆไม่ได้เดินตามแผนที่คือไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพ้อเพยังสงสัยในแผนที่นั่นอีกดูถูกเหยียดหยามคนแผนที่นั้นอีกถ้าชาติหน้ามีจริงพวกเราคงได้มาพบมาเจอกันฮะก็ยังสงสัยขนาดนั้นอีก เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าว่ามีแต่เรียนมีแต่ศึกษาถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติผมว่ามันมีความสงสัยเกิดความสงสัยได้ง่ายมากแต่ถ้าว่าพวกเราได้ภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองจากนั้นก็พิจารณากันกองไตรตรองด้วยเหตุและผลเกิดจิตใจของเราจิตใจของเ ร, เ, ขเราเข้าสู่ความสงบ แล้วก็พิจารณาถึงร่างกายสังขารความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรค้นหาความสุขที่แท้จริงของคนอันไหนคือความสุขกินอรกินอร่อยใช่ไหมพอกินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถายก้อนโตใช่ไหมแหม่แล้วเป็นยังไงมีเงินคําทรัพย์สมบัติได้มาแล้วก็ดีใจเวลามันหายไปคนจะมาแย่งมาชิงคนตายเพราะทรัพย์สมบัติมีมากต่อมากใช่หรือไม่แหม สิ่งเหล่านี้ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราค้นคว้าศึกษาโดยมากมีทุกข์ขังอริยสัจจังเป็นของจริงในการเป็นอยู่เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บไข้เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อันไหนคือความสุขถ้าพวกเราค้นคว้าศึกษาดูให้ดีตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันหาความ จิรังถาวรหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นี่ยและอันนี้คือการแนะนำสั่งสอนประกาศพธศาสนาเอันนี้ก็บอกกล่าวซึ่งกันและกันแล้วก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ดูแต่แผนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รับคำทำคำสั่งสอนของหลักพุทธศาสนาพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไง แต่ในท่าว่าเราได้รับคำสอนอันดับแรกเราได้รับคำสอนมาจากไหนพระพุทธศาสนามาทางไหนในเมืองไทยพวกเราก็ได้รับทราบกันมาว่ามาจากท่านโสนะที่เป็นพระอระหันต์มาเข้ามาทางสุวรรณภูมินครปฐมมาประกาศเผยแพร่ธรรมะทคำสั่งสอนในยุคสมัยนั้นพวกเราจึงได้รับทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ทีนี้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้มักได้ผลในระดับไหนเราก็พยายามประกาศเผยแผร่ให้แก่คนทั้งหลายได้รับรู้ ร, ร, รับทราบตามที่เราได้ศึกษาค้นคว้าและได้ปฏิบัติอันนี้จะเป็นการประกาศการเผยแผร่ธรรมสู่สังคมสู่โลกแต่ถ้าว่าพวกเรา ปฏิบัติตนไม่ดีถึงจะประกาศไปก็มีแต่ความเสียหายจะมากกว่าก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราเห็นเห็นกันอยู่ไปประกาศออกประกาศภาษาศาสนาเมืองนอกนี่ที่ท่านพูดในหนังสือพิมพ์เขาพูดเอาไปประกาศใช่ถ้าไปประกาศ ถ้าว่าเอาศีลธรรมไปประกาศหรือานําไปประพฤติปฏิบัติมันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างพระโสดุณมาประกาศพระศาสนาในเมืองไทยอยู่นานเท่านานหลายร้อยปีมาถึงยุคสมัยนี้แต่พวกเราไปประกาศพระศาสนาตัวเองก็ยังย่าแย่อยู่แล้วเพ้อเพลยังไปพอประกาศไปประกาศมาก็ไปศึกให้เขาเห็นอยู่ต่างประเทศอีกอมันเข้าทํานองที่หลวงปู่ตื่อท่านพูด หลวงปู่ตื้อท่านพูดหลวงปู่จามอ ม, มาพูดให้ผมฟังอีกมาพูดให้หลวงพ่อฟังอีกท่านบอกว่าหลวงปู่ตื้อบอกว่าเอาไข่ไก่เอาไข่ เ, เน่าไปให้ฟรองฟักมันจะเกิดลูกได้ยังไงถ้าเราฟังแบบผิวเผออคล้ายๆกับพูดที่ไปเนี่ยมันเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วมันจะเน่าอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วไม่มีคุณธรรมในจิตใจอยู่แล้ว แล้วไปอยู่เมืองนอกเนี่ยมันก็ไปสะแสวงหาทรัพย์ไปหาผลประโยชน์ในการเป็นอยู่แล้วพรศาสานาจ ะ, จะเจริญงอกเกยได้ยังไงเพราะว่าผู้ที่ไปนั้นมันเน่าแล้ว เ, เหมือนกับเอาไข่เน่าไปให้ฝรั่งฟักเนี่ยหลวงปู่ตื่อพูดหลวงปู่จามออกมาพูดอีกแล้วก็ผมออกมาพูดต่ออีกเป็นว ล, ลีว ล, ลีคํานี้น่าคิดว่างั้นเถอะคาพูดอย่างที่หลวงตึกปู่ตื่อพูดคํานี้น่าคิดว่างั้นเถะ เพราะฉนั้นเราจะไปพูดไปประกาศเผยแผ่ที่ใดในผู้ที่ไปประกาศเผยแผ่นั้นต้องมีหลักจิตหลักใจพอสมควรต้องรู้แจ้งเห็นจริงมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีหลักธรรมวินัยมีให้รีโอตบปากมีเป็นผู้มีธรรมวินัยในจิตในใจอไม่ใช่พระ อรัชีตาอืออาอรัชีตาเป็นผู้มีไม่มียางอายเอเป็นผู้ไม่มีฮิริโอตปะเป็นอรัชีนะแต่ถ้าว่าพระไปประกาศาศาสนาเป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพระพุทธศาสนาก็ยังยืนถาวรแต่ถ้าว่าเรานราํะาะศาสนาไปประกาศไปเผยแผ่แต่ตัวเองกลับทาตัวแย่กว่า ที่เขาเป็นอยู่เสียอีกอย่างนี้นมันก็น่าคิดอีกเหมือนกันเพราะนันพูดที่จะไปแนะนำสั่งสอนมันต้องได้รับการอบรมได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจให้พอสมควรเออมันจึงจะเจริญงอกเงยได้อย่างพระโสะมามประกาศพระพุทธศาสนาในเมืองไทยจเจริญรุ่งเรือ ง, องยาวนานขนาดไหนแต่ทีนี้เราจะให้เป็นอย่างนั้นเช่ก่อนเราจรึงประกาศศาสนาใช่ไหม ก็คงจะมันก็ถ้าเป็นไปได้ ด, ดีที่สุดงั้นแต่แต่ว่าถึงยังไงก่อนที่จะไปก็เป็นต้องดูสัก่อนว่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจมากน้อยแค่ไหนนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่ได้อัดได้ทําบางคนก็ไม่อยากจะพูดบางคนก็ได้อัดได้ทําแล้วก็ไม่อยากจะพูดเฉยจบและกรจบไปอันนี้ ในครั้งพุทธกาลก็เคยมีนะมีพราหมณ์สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปหัวเมืองถ้าผมจำไม่ผิดว่าชื่อโตหิจพามเขามีความคิดเห็นว่าเมื่อพระพุทธองค์มาฉันในนิเวศของเขาคือพระเจ้าปเสนส่งให้เขาไปปกครองถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับสมัยก่อนก็คือเป็นเจ้ามณฑลเหมือนกนเะ แต่มนฑลอุดรมนทนโคราชมณคนอุบลเนี่ยเป็นเจ้าของมนทนดูแลความเรียบร้อยเป็นเจ้าเมืองเหมือนกันแต่ขึ้นต่อไปเจ้าปัติเศนแต่นี้หัวเจ้าเมืองนี่ก็มีความคิดขึ้นมาว่าใครก็ตามท่านได้สําเร็จมรรคผลแล้วนะ่ยถ้าไปแนะนําสั่งสอนคนอื่นเขาเหมือนกับ เรามีความโลภให้ข้าพเจ้อยากจะให้คนอื่นนับถือเรื่อมสายเราเราจะได้สิ่งตอบแทนจากเขาเหล่านั้นทานได้แล้วกระจกไปก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องบอกต้องกล่าวให้แก่ใครฟังอีกอันนี้ก็พราหมณ์คนนั้นก็มีความเห็นอย่างนี้ก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในบ้านของตัวเอง ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่ข้าพระ อ, องค์คิดอย่างนี้ผิดหรือถูกพระเจ้าค่าะก็ยังดีอยู่นะอย่างตัวเองคิดแล้วบอกว่าถ้าว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยไปสอนคนอื่นก็ให้คนอื่นได้รับแล้วเหมือนกับเราตัดเครื่องตัดออกจากตัวเองแล้วยังเอาเครื่องอื่นเข้ามาพันตัวเองอีกเออยังเอาเครื่องอื่นเข้ามาผูกมัดจิตใจของตัวเองอีกมันไม่ถูกเมื่อ รู้แล้วก็รู้แล้วก็จบไปก็น่าจะเพียงแค่นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ตอบตรงๆนะท่านก็บอกว่าดูก่อนพรามท่านปกครองในชนบทในมณฑลของท่านพระเจ้าปเสนปกครองอในเมืองในประเทศโกลสนทั้งหมด แต่ถ้าว่าพระเจ้าปเสนหรือท่านเน่ะปกครองในเมืองแล้วปกครองในท้องถิ่นแล้วไม่ยอมแบ่งปัจจัยที่ได้มาจากพื้นท้องถิน่นไม่ยอมแบ่งให้ไม่ยอมแบ่งให้แก่ใครเราท่านบริโภคเองทั้งสองคนท่านของบริโภคเองท่านละให้เขาเป็นการเบียดเบียนเขาเป็นการต้องการเรา เราอยากจะได้บริวารเพราะนั้นเราไม่ให้เขาเราไม่แบ่งให้แก่ใครเรากินเองแล้วบริษัทบริวารเขาจะอยู่ได้ไหมเมื่อเราไม่แบ่งปันอะไรให้แก่เขาเป็นความคิดผิดหรือความคิดถูกที่เราได้มาแล้วเราไม่ยอมแบ่งให้แก่ใคราพามตัวนั้นก็งงอีกเหมือนกันเป็นความคิดผิดพระเจ้าข่า นั่นแหละในเมื่อเราได้มาได้สมบัติมาเราก็ควรจะแบ่งให้เขาแบ่งให้ตามอัตภาพของเขาที่เขาจะรับได้ขนาดไหนเราเป็นผู้มีน้ำใจเราเป็นผู้มีเมตตาต่อเขาจึงจะถูกแต่ถ้าว่าเราเได้สมบัติมาแล้วเราไม่ยอมแบ่งให้แก่ใครได้กินและวก็จบเขาเหล่านั้น จะเป็นอริหรือเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรกับเราถ้าเราไม่ยอมแบ่งให้เก็บกับเขาเหล่านั้นพราหมณ์ก็คิดว่าเขาคงจะไม่เป็นมิตรกับเราเพราะว่าเราไม่แบ่งปัจจัยสีให้แกเขานี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ทำเราก็ควรจะแบ่งความรู้หรือวันแนะนาเขาให้เขารู้ได้รู้ทำคำสอนด้วย อันนี้คือคือพิจารณาดูแล้วก็คือพอรู้จริงเห็นจริงอแล้วก็แนะนำสั่งสอนจริงอันนี้ตีพกรายจาท่านตัดรู้แต่ไม่ใช่ว่าพอเรารู้แล้วเราเอาธรรมะไปขายเอาเพื่อไปแลกกับวัตถุ ก, กับเขานะอันนั้นแปลว่าเกิดความโลภอเกิดความโลภขึ้นมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลักของพุทธศาสนาท่านตาหนิ ท่านตำหนิแก่ภิกษุผู้ทําเช่นนั้นหรือใครก็ตามทําเช่นนั้นแปลว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องแเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกองนะที่พูดทางนี้ฟังคือเป็นแนวทางและเป็นแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนได้บอกได้กล่าวสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย และก็พร้อมกันนะพวกเราบวชมาในคราวนี้ในครั้งนี้เราก็รู้แก่ใจว่าเราบวชมากี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เราก็รู้แก่ใจว่าเราจะบวชสมเดือนถ้าว่าผู้ที่จะตั้งใจบวชสมเดือนข้าพเจ้าจะบวชสมเดือนในสมเดือนนี้ให้พวกเราคิดไว้ในใจว่า ข้าเพเจ้าจะทำตนให้มีคุณภาพที่สุดสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่เราทำมานั้นเราทำมาแล้วเมื่อเป็นกราวาสแต่บัดนี้เราเป็นพระเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบเราจะทำตนให้เป็นผู้สงบในขณะที่อยู่เป็นพระนี้ จะพยายามทำตนให้ดีที่สุดจะไม่ให้มีเรื่องราวที่ไม่เราจะในคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราจะห้ามใจของเราจะไม่คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราจะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งไหนก็ตามที่ครูบาอาจารย์ ห, หรือหลักพระธรรมวินัยที่เราได้ฟังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากหมู่จากเพื่อนแล้วเราจะทาสิ่งนั้นให้บริบูรณ์ เราจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอันนี้ผมว่าพวกเราท่านทั้งหลายควรจะคิดอย่างนั้นแต่ผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าผมเห็นการกระทําของหมู่ออกนอกรูกนอกทางไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าผมย้ำออให้ข้าวันแนวความคิดในมุมมืดถึงพวกท่านทั้งหลายจะคิดหรือไม่คิดยังไงก็ตามแต่บางทีบางครั้งปุตุชนผมว่ามันต้องคิดไปในทางที่ไม่ดีคงจะมีอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไอ้ที่ว่ามันไม่ดีจุดนั้นแหละพวกท่านทั้งหลายอย่าไปส่งเสริมอย่าไปติดตามมันอย่าไปให้มันคิดออกนอกนอกลูนอกทางถ้าพวกเราคิดไปในนอกลูนอกทางล 1, 2, 3, ักหนึ่งสองสามีอยู่แล้วมันจะออกถลําออกไปลึกไปเรื่อยเพราะนั้นสิ่งนอ้นผมกลัวอย่าให้มีในการที่พวกเราเป็นพระเป็นนักบวช ก็พร้อมกันก็ให้พวกเราเทําศีลสมาธิปัญญาให้มั่นคงอย่างที่พกผมได้แนะนําสั่งสอนแต่ละวีดแต่ละวันออพอมีอย่างวันเนี้ยผมเห็นว่าผมมีเวลาว่างในระหว่างพวกเราทั้งหลายก็ควรจะได้ยินได้ศึกษาเพราะธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมีมากมายบางทีจิตใจของเรา คิดไปอย่างหนึ่งเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็มออีอาจจะมีเครื่องห้ามทางด้านจิตใจหลายครั้งต่อหลายหนหลายเรื่องหลายร า, ยราวจากนั้นเราก็เป็นผู้มีความคิดกว้างขวางมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีวาทะที่จะบอกกล่าวลูกน้องบริวารได้เมื่อเรา เ, เป็นพลเมืองออกไปสู่ภายนอก หรือเราเป็นพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์อย่างผมเป็นต้นนะผมนี่ก็เป็นสมรเณ์อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้ศึกษาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอย่างที่ผมพูดให้ฟังขณะนี้แนหะต่อมาแล้วผมก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก็ได้ศึกษาแนวความคิดหลากหลายหลายอย่าง เก็บเล็ดผสมน้อยครั้งนั้นบางครั้งนี้บางพอมาถึงจุดนี้ก็ได้นทำธรรมที่ผมได้ฟังได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้พบได้เจออย่างที่พบเห็น อ, อย่างที่ว่าเบื้องต้นว่าหลงตาท่านเห็นทุกสิธย์มูกัดอย่างนั้นนะท่านทำอย่างไงอย่างเนี้ยนี่แหละอันนี้คือเป็นตัวอย่างผมจะได้นํา ม, มาบอกมากล่าวให้แก่หมู่ได้ฟังได้ยินได้ศึกษา ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราได้ยินได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้นำมาคิดมาพิจารณาไตรตองที่่งครูบาอาจารย์ทำเช่นนั้นบอกกล่าวเช่นนั้นแนะนาอย่างนั้นเราก็จะได้นำมาเป็นสมบัติของตนเองต่อไปภายภาคหน้าจากนั้นเราก็จะได้นำแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาปรับปจัจจิปัญญาของตน เมื่อเราไปอยู่ณสถานที่ใดเราก็พร้อมหมดทุกอย่างออไม่ขาดตกบกพร่องในการเป็นอยู่ออหมู่พกเพื่อนเขามาอยู่ใกล้พวกเราพวกท่านทั้งหลายต่อไปในอนาคตก็ อ, อ, อบอุ่นทางด้านจิตใจเพราะนั้นผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่จบอยู่เพียงผมองเดียวออต่อไปภายภาคหน้าหมู่พกเพื่อนทั้งหลายก็จะได้สืบทอดไป ในเมื่อเป็นคราวาสญาิโยมพวกท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาว่าหลักของพุทธศาสนาที่เราเข้ามาบวชเพียงสามเดือนเราได้ศึกษาแนวความคิดแนวการพูดแนวการกระทำสิ่งไหนบ้างที่เป็นรมเป็นวินยัยเป็นศัตุูศาสตร์คือศาสตร์ที่พวกเราจะต้องศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองนะเข้ามาบวชใน พ, พุทธศาสน า, าไปอยู่แบบ นิ่งดูได้ให้ใช้ความคิดให้ใช้การไข้ควรทบทวนสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งไหนที่อยากจะทำเบรกห้ามล้ออย่าทำแอเพราะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถึงอยากจะทำก็ไม่ทาเพราะมันไม่ถูกเราไปทำไปทำไมพอทำไปแล้วมันมันไม่เป็นมงคลต่อหมูต่อเพื่อนต่อครูบาอาจารย์ต่อวงการพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมือง ถ้าเราทำไปแล้วมีแต่ความหายะนะในความไม่ถูกต้องเราก็ควรจะเหยียบเบลตห้ามล้อจิตล้อใจของเราเอาไว้จากนั้นเราก็หมุนไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมเมื่อเราทำได้อย่างนั้นเราไปอยู่ณสถานที่ใดเราอยู่กับบ้านเมืองหรือจะก็อยู่กับครอบอครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับปวงสาคนาาตบริษัททางร้านใดมีแต่ความอบอุ่น เขาก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจการวางตัวของเราเราทำยังไงเราวางตัวยังไงจึงจะเหมาะสมเราต้องอ่านคนให้ออกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนถ้าคนเขาดีเราก็วางใจในระดับหนึ่งถ้าเขาไม่ดีเราก็ต้องระวังอีกในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นเบีย้ยล่างให้เขาทั้งหมดไม่ใช่สอนให้รอบคอบให้รู้เขาให้รู้เราเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไง แน่ใช่พอที่จะเสียเปรียบเขาจุดนี้เรายอมเสียเปรียบถ้าเสียเปรียบจนเกินไปแน่เรายอมไม่ได้เราต้องมีวิธีการว่าจะเอาอยัางไงจึงจะไม่เสียเปรียบจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองเหตุและผลที่อยู่เป็นมนุษย์ในโลกเนี่ยมันมีมากมายหลายพิษภัยและเกิน หลายขุนว่างั้นนะหลายพระคุณหลายขุนแล้วก็ขัดหลายพิษภัยหลายอันตรายหลายพระคุณว่างั้นะ่เพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกทุกท่านนะผูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราใช้ความคิดแต่ถึงยังไงหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละจุดนี่แหละสาคัญอย่างยิ่งที่ผมย้ำแล้วย้าอีกให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเอถ้าเป็นฆราวาสเราออกไปเป็นฆราวาสเราก็ไม่ดื่มสุรงสุราที่มันจะขาดสติเราไม่ทําไม่กินยาม마คัญชา ย, ยาฟินเฮโรอีนโดมกาวอย่างนี้ เ, เรางดทั้งหมดไม่เอาเออเพราะสิ่งอย่างนั้นมันทําให้สมองของเราปั่นป่วนขาดสติได้ง่ายๆเพราะใ น, นสิ่งเหล่านะั้นเราก็ห้ามไม่เอา เราก็พยายามปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้อยู่ในกรอบแต่ให้ตั้งอยู่ในกรอบและก็ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจากนั้นเราคนนั่งในสมาธิหรือเดินยืนนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เราขณะนี้เราคิดอะไรอยู่ ขณะนี้เราพูดอะไรอยู่คือให้มีสติในการเป็นอยู่ทุกริยาบทมีสติอยู่กากับอยู่กับตัวเองนั่นแหละถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นที่เราจะออกนอกรูนอกทางนี่คิดผิดพูดผิดทําผิดนั้นมันก็จะอยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์ในเมื่อเรามีสติอย่างนั้นแล้ว สมาธิของเราดีแล้วจิตใจของเราไม่หิวไม่หยไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายจิตใจนิ่งแนว่ว เ, เมื่อจิตใจของเรานิ่งแล้วถ้าว่าเราเป็นพระที่เราจะพิจารณาอะไรในขั้นตอนต่อไปผมก็เคยอธิบายให้ฟังว่าวิปัสนาวิปัสนาก็คือวิปัสนึกนึกคิดเออซะก่อน แล้วมันจึงเป็นวิปัสสนาเมื่อนึกคิดกานกลองไตรตรองเหตุและผลถูกต้องหนึ่งบวกหนึ่ง เ, เป็นสองโอเคนั่นแหละวิปัสสนาเลยนี่เกิดขึ้นยอมรับมันก็จะปล่อยวางที่จิตที่ใจของพวกเราเมื่อปล่อยวางที่ใจของเรานั่นแหละกิเลสอย่างตัวไหนจะเข้ามากิเลสคือสิ่งแปลกปลอมกิเลสคือมันออกนอกลู่นอกทางโลภมันเป็นยังไงโกรธมันเป็นยังไง หลงมันเป็นยังไงราคามันเป็นยังไงความกำหนัด ก, กินดีมันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราทั้งนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตรวจตราดูด้วยเหตุและผลแล้วนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้อย่าให้เปล่าประโยชน์ทาตนให้เป็นพระที่ดีให้มีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม สิ่งไหนที่มันไม่ดีเหยียบเบรกห้ามล้ออแต่ถ้าว่าสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์แล้วอเหยียบคันเร่งอใส่เข้าไปเลยแล้วก็หันพวงมาลัยไปในทางที่ถูกต้องเหยียบคันเร่งไปในทางที่ถูกต้องอและก็เบรกในสิ่งที่มันไม่ถูกในเหยียบคันเร่งในสิ่งที่มันถูกต้องเนะี่ยชีวิตทั้งชีวิตหรือว่านักพจนักบวชของพวกเราก็ จะเจริญงอกเงยได้นะแต่ถ้าพวกเราทาไม่ถูกแล้วไม่ได้นะเป็นนักพจนักปวก็อย่างที่ว่านะอยู่เป็นวันวันอหน่าจ่อยงอยเงาเป็นวันวันไม่กระตือเรือล้น ห, ห, หมดกาลังใจอย่าให้เป็นอย่างนั้นในโลกมันมีมากมายหลายเรื่องราวจริงๆเพราะนั้นเราต้องพยุงใจของเราปลุกใจให้เราให้สู้อให้ใข ค, ควนพบทวน ด้วยเหตุและผลให้ให้มองคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศล ส, สามเดือนที่เราเขามาบวชมาคราวนี้มาเชื่อสั่งสมบุญกุศลถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของคุณธรรมศิลปธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดในสามเดือนจะจําไม่ลืมในตัวของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สนใจปล่อยป่าละเลยอยู่เป็นวันๆชังกระตายเป็นวันๆ เป็นชีวิตที่ว่าจําไม่ดื่มอีกเหมือนกันเป็นชีวิตที่แบบเบื่อหน่ายไม่มีอะไรในใจของเราเลยอย่างนั้นก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าทําคําสั่งสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราปฏิบัติกันมาล้วนแล้วจะเป็นคุณค่าแต่มาตกมือของเราเนะี่ยเป็นของไร้คุณค่าเป็นของเปล่าประโยชน์เป็นของสิ่งที่ปฏิกูล ธรรมะเข้าสู่ใจของเราเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งหมดไม่มีคุณค่าเอาเชลเลยเพราะว่าเพราะเหตุใดถ้าว่าจะให้นักปราดบัณฑิตท่านวิเคราะห์ท่านก็ว่วาใจของเราเนี่ด้อยคุณภาพไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นมีประโยชน์เข้ามาสู่จิตใจของเราได้เราไม่เห็นคุณค่าเหมือนกับลิง สมเพชรนินกินดาอย่างนั้นอ่ะมันไม่เห็นคุณค่ามันไม่ไม่รู้คุณค่าว่าเพชรนินกินดานะี่ยมีประโยชน์อย่างไรมันสูงเม็ดกล้วยลูกหนึ่งไม่ได้ถ้ากล้วยลูกหนึ่งนั้นมีประโยชน์กว่าเพชรนินกินดาแต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วเพชรนินกินดาเม็ดหนึ่งมีคุณค่าเอาไปจําหน่ายขายซื้อกล้วยมาไมปล้วกกี่ตันกี่ตันก็ได้ เราพได้เพราะเขารู้คุณค่านี่แหละอยากจะให้พวกเรารู้คุณค่าของศีลธรรมที่บรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือกันมาแล้วพวกเราให้วิเคราะห์จากนั้นก็พยายามปฏิบัติตนให้เป็นคนมีคุณภาพคุณธ ร, รรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเราจะมีแต่ความสงบโปร่เย็นเป็นสุขชีวิตทั้งชีวิตนะจะราบรื่นไปด้วยดี ตลอดถึงอวสานของชีวิตก็ร่มเย็นเป็นถุกนอนหลับตาได้เพราะเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจนะนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดกับพร้อมกันวันนี้ผมอยากจะให้หมู่พเพื่อนฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอีกสักกันหนึ่งและยังคอยแยกย้ายกันกลับนะการที่ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาให้พวกเรานั่งคัจมาธิจากนั้นก็ ให้กำหนดภาวน า, าดูลมหายใจเข้าออกของตนเองพุทโธพุทโธไม่ต้องส่งไปฟังคำเทศของท่านาาคำพูดของท่านเข้าหูผ่านใจของเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจในคำพูดของท่านแต่ละคำละคำไม่ต้องจดจำเหมือนกันให้เข้าใจในคำพูดของท่านแต่ละคำนั่นแหละคนที่ฟังเทศเป็นจะเป็นอย่างนั้น จากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้น่ะต่อเ น, นี้ไปไปเปิด m อ3ดูสิของหลวงตานะ